ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชของปวงชนชาวไทยพระองค์ก็โปรดเกล้าให้ทำตัวกระดาษขึ้นมาเรียกว่าอัฐกระดาษมาใช้แล้วก็เริ่มมีธนาคารต่างประเทศเข้ามาตั้งสาขาในเมืองไทยเช่นธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ธนาคารชาเตอร์ธนาคารอินโดจีนแล้วก็ในสถานที่ตั้งของ พระที่สถานมงคลทานนี้ก็ก็คือธ น, นาคารจีนไฮฟงซึ่งเป็นของจีนนะคะมีการนําแบงค์ธนาคารมาใช้กันแต่ว่าชาวเอรัษฎรไม่นิยมน ะ, ะคะองค์จะมีใช้ในวงของพ่อค้าชาวตะวันตกและพ่อค้าชาวจีนเท่านั้นพระองค์ก็พัฒนาบ้านเมืองมีการทําบัญชีการเงิน พัฒนาการใช้ธนบัตรเงินต่างๆขึ้นมาตั้งเหรียญกระสอบต่างๆด้วย mm hmm. เพื่อให้เศรษฐกิจ เ, เปลี่ยนปแปลงไปตามวิทยาการต่างๆนะ mm hmm. ก็มก็มีการพัฒนาการสาธารณพระโภก mm hmm. ก็เกิดขึ้นเป็นขั้งแรกในสมัยของพระองค์ mm hmm. ได้แก่ไฟฟ้าประปารถไฟไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์ แล้วก็การการเกษตรการชำระทานสาธารณสุขแม้ทั้งการศึกษานะฮะกําเนิดโรงเรียนหลวงแล้วก็โรงเรียนสําหรับราัศาดรขึ้นมาเป็นครั้งแรกพระบาทสมเด็จ พ, พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงปฏิรูปเศ ร, รษฐกิจและก็การคังซึ่งมีข้อบกพร่องมากในการบริหารการคังระบบเก่าเนะี่ยไม่เข้ากับความเจริญรุ่งเรืองที่ังชาติเข้ามาอย่างมากมาย ในรัชสมัยของพระ อ, องค์อีกทั้งไม่มีการวางระเบียบของการใช้เงินแม้การปฏิรูปจะไม่สำเร็จผลตามพระราชประสงค์ในระยะแรกนะแต่ก็บรรลุเป้าหมายการบริหารและก็กลบขึ้ืนเงินไรายได้ของแผ่นดินขึ้นทำให้ฐานของการคลังประเทศมั่งคงขึ้นมากว่าสมัยใดๆที่ผ่านมาสามารถกระจายรายได้ เข้ามาสู่กันปรปับปรุงพัฒนาประเทศโดยใช้เงินไรายได้ของแผ่นดินไปสร้างงานให้รัษดรแล้วก็ส่งปฏิรูปกฎหมายการศาลมาให้มีศาลใหญ่ถึงหกแห่งด้วยกันคือศาลอุทธรณ์ดีการาศาศาลสองสารพระราชอาญาสามศาลแพ่งกเกษมสี่ศาลแพ่งกลาง ห้าสารสำมะกรนหกสารต่างประเทศก็สําหรับปรุงการจัดเก็บภาษีใหม่แล้วก็จัดระเบียบการนําส่งไรายได้ใหม่ให้ส่งผลให้ไรายได้ของประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิบห้าล้านมาเป็นสี่สี่สิบหกล้านบาทในสมัยนั้นข้าวจึงกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญที่สุด ข, ของไทยสองฝั่งม่น้ำเจ้พระยาจะเห็นป่องไฟลงสีข้าวโกดังสินค้า อู่ต่อเรือเรียงรายกันเป็นตลอดระยะทางทั้งโรงสีของชาวตะวันตกของชาวจีนแม้แต่ในลำคลองใหญ่ๆก็มีโรงสีข้าวชุมชนกระจุกกันเป็นระยะประเทศได้ก้าวเข้าไปสู่เป็นผู้ผลิตข้าวป้อนตลาดโลกในรัชกาลที่ห้านี่เอง ระบบเศรษฐกิจและก็การผลิตในภาค พ, พื้นอุตสาหกรรมทั้งข้าวและน้ําตาลของประเทศก็ก้าวหน้าขึ้นไม่ขึ้นหาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์สมเด็จพระปริยมหาราชของพวกเราพระองค์ก็ยังได้ทรงประกาศนะฮะด้วยมหาเมตตามหากรุณาของพระองค์เนี่ยประกาศเลิกทาส โดยใช้เวลาตั้งแต่ปีพศ2417ถึง2 4 5 2เป็นเวลา35ปีทีเดียวน ะ, ะถึงจะสามารถเลิกค่าดได้หมดสิน้นและในปีพศ2444ก็ประกาศเลิกระบบไร้ราศดรต่างๆชาวไทยนี่สามารถประกอบอาชีพได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน จากนี้ไปคนไทยก็สามารถพัฒนาตนเองไปประกอบอาชีพต่างๆได้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเอ่อก็โปรดเก้าให้ตัดถนนสายสำคัญย่านธุรกิจคนจีนและฝรั่งรวมทั้งถนนราชดำเนินตัดถนนทางย่านสำเพ็งก็งเกิดถนนท่งวาด ถนนผ้า ส, สายถนนอ น, อนุวงศ์ถนนทรงสวัสดิ์และที่สำคัญที่สุดคือถนนเยาวราชของชุมชนชาวจีนของพวกเราก็สร้างขึ้นมาในปีพศ .2434 อยู่ระหว่างถนนเจริญกรุงกับถนนสําเพง็งตั้งแต่ป้อมมหาชัยคลองรอบกรุงไปบรรจบถนนเจริญกรุงตรงสะพานวัดสำจีนหรือวัดไตมิตร พร้อมกันก่อสร้างอาคารพานที่สองฝ่าถนนในสมัยรัชกาลที่สามนี้มิชชันนารีชาวอเมริกันนามว่าดีนเนี่ยได้มาดูเห็นสภาพตลาดสำเพ็งนะะตลาดทั้งหมดดูแล้วก็เรียกนะะไ ม, ไม่ไม่ได้เรียกว่าตลาดเพราะว่ามันเป็นชมุมชมที่การค้านี่ธุรกิจเอ่อ ทับข้างนะะเขาก็เรียกใช้คำว่าเทรดดิ้งทานะคะเทรดดิ้งเทาในย่านชัยนาทเท้าทั้งหลายนี้นะคะทั้งถนนทรงวาดภาษสานุวงศทรงสวัสดยวราชเนี่ยขึ้นมาเจริญกรุงสัมเพงเนี่ยเป็นเทรดดิ้งเทาเราย้อนกลับเข้าไปในสมัยสุโ ข, ขทยัยเป็นราชธานีซึ่งมีพ่อขุนลำกำแพงมหาราชเป็นกษัตริย์ ได้เจริญมาทำมัย ต, ตรีกับชาวจีนเนี่ยนะเข้ามาช่วยสอนปั้นชามสังคลโลกนะชาวจีนบางส่วนก็วายพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็ตั้งลกระากมาจนลุกเข้าถึงสมัยอยุธยาเออก็มีชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะพระมหากัรสไทยก็ได้พระราชทานที่ดินให้ชาวจีนตั้งจีนฐานบ้านเรือนนะฮะเช่นที่เรารู้จักกันดีคือ ตำบลสวนผูใต้ที่วัดพนังเชิงแม้แต่ในกําแพงพระนครเของอชาวสีกรุงศีอุธยานะฮะซึ่งชาวจีนก็ได้นําเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮ ะ, ะเข้ามาตั้งเป็นที่เคารพสักการบูชาที่วัดพนังเชิงก็คือสัำปะกงนะสำปะกงะหลังจากที่ กรุงศิวยาเสียนะฮะเสียเสียกลงุงที่สองเนี่ยถูกทำลายมากก็คนจึงก็อพยพแตะกระเซ็นกระสายไปเ อ, อ่แล้วก็ขึ้นไปเอ่อ ท, ที่จังที่จันทบุรีนะฮะไปรวบไปรวมกันอยู่ตั้งชุมชนบ้านเรือนขึ้นใหม่ที่จังหวัดจันท บ, บุรีกับสมเอ่อตอนที่พระเัตกสินนะฮะรวบรว ม, รวมบ้านเมืองเป็น เข้าไปตั้งค่ายอยู่ที่จันทบุรีนี่ชาวจีนก็ไปอพยพไปอยู่ที่นู่นมากซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งหัวมังกรแล้วก็เ อ, อลงมาจนถึงมีการฆ้ามีโรงสีมีอะไรก็ไปอยู่แถวแปดริ้วนะฮะจะเธิงเซาของเราถือว่าเป็นตําแหน่งท้องมังกรท้องมังกรจนมาลุกเข้าถึงสมัยสมัยเออรัชนิรัช รัตนโกสินตอนเนนืยนะฮะในรัชสมัยที่สามหลอสามนะฮ ะ, น ะ, ฮะในฝั่งเทรดดิ้งทาวนี้ก็ชาวจีนจันยู่กันอย่างมากมายซึ่งเราก็ชาวจีนก็ถือว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งหางมังกรนะหัวมังกรจากจันบุรีท้องมังกรแปะริ้วน ะ, ะก็ลงมาถึงหางมังกรเทรดดิ้งเท้าที่เป็นชุมชนชาวจีนค้าขายกันอยู่ ชาวจีนก็นำเอาวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะฮะเข้ามาผสมผสานกับทางไทยในราชสมัยของราชการพระนางเจ้าอยู่หัวเนี่ยรอสามนะะศิลประชาวจีนก็ปรากฏให้เห็น